ภะคัมภีตูอรหตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคตูอรหตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคตอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะ อัตหิอัตโนนาโธติณบัดนี้จะได้เตือนว่าตัวพวกเราทุกๆคนตนของตนเองต้องเตือนตัวเจ้าของตลอดไปจึงจะได้เป็นคนที่บริสุทธิ์ในชีวิตของตน ขันท่าตัวของเราบัาเตือนตัวเราอยู่เสมอแล้วตัวเราก็ไม่หนานาที่ความสุขก็ปกเข้ามาปกปิดใจของตนให้มืดตลอดไปเพราะฉะนั้นจึงนี่คืนชื่ออัตหิอัตโนโนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งของตนตนของตนต้องรักษาตนของตน ตนของตนเองต้องให้รู้จักว่าตัวของเราดีชั่วตัวของเราใหรู้สึกว่าตัวของเราเวลานี้สุกกรปกหรือสะอาดประการใดๆอันนี้ละให้เราทุกคนจงนึกว่าอัตติอัตโนนาโตตนของตนรักษาตนของตนจึงจะเป็นปันจจัยความดี ให้ใจของพวกเราตลอดไปภายข้างหน้าเราทุกคนฝ่ายเบื้องหน้าหน้าที่ของพวกเรายังจะได้เกิดในโลกอันนี้ตลอดไปหลายภพชาติว่าพวกเราทุกคนนั่นเองจะได้บรรลุมรรคผลไม่ใช่เป็นของได้ง่าย ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าในเวลาชีวิตนี้ตัวของเราขันพลังเผลอมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็มีเื่องความชั่วนั้นละทับถมตลอดไปปิ่นนี้เวนเข้นเนี่ยเมื่อหลายเวลาใดตนของตนระลึกได้ว่าความดีความชั่วของสัตว์ทั้งหลายในโลก มันจะเกิดเวลาไหนเป็นอย่างไรเกิดขึ้นรู้สึกขึ้นมารักษาตู่เจ้าของอันนั้นจึงได้ขึ้นชื่วตนของตนรักษาเมื่อเวลานั้นได้รับความสะอาดให้แก่ใจของตนธรรมดาใจของพวกเรานั่นเองผู้ที่จะไปเบื้องหน้า ร่างกายอันนี้มันไม่ได้ไปที่ไหนธาตุทางสีธาตุดินธาต้น้ําธาตลมตาไวายทางสีอย่างนี้คันถา้าไ ม, ม่สม่ำเสมอกันแล้วหน้าที่ใจก็ต้องหนีออกไปทันทีร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายลงไปคนเหนี่ยวคนตายสัตว์ตาย อันนี้พลังวัตใจหนีจากร่างกายอันนี้ไปคาดทั้งสีไม่เสมอกันให้เราทุกคนจงคิดนึกบันเดี๋ยวนี้ตัวของเราทุกๆคนยังมีบุพกรรมความดีลักษาอยู่ชีวิตร่างกายอันนี้บุคคลเช่นว่าตายอายุสั้นเรียวพลันตายนั้น ตั้งแต่เด็กเป็นหนุ่มกันมาพวกนั้นเจอวะโทษแห่งปานาธิบาตได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันมาตั้งแต่เบื้องหลังอเนกชาติความโชดทั้งหลายจึงลุกขึ้นมาบังคับให้หล่างกายตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายทันทีนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกๆคน ในเวลาบัจดี๋ยวนี้ความดีจึงให้ความหยียังมีให้จังหวะตัวของเราได้ย่างจืนกันมาตั้งหลายปีมาแล้วแต่นี่ต่อไปโมโนหน้าอีกจะได้อีกจักษกี่ปีให้เราคิดนึกในตัวของเราให้รีบเล่นทำความดีจะดีกว่าอย่าไปให้ความโชว เกิดให้แก่ใจของตนให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าการที่เราเป็นมนุษย์มีแต่ความดีเกิดขึ้นกับความโชกเกิดขึ้นเท่านั้นเองขันความดีเกิดขึ้นความสุขของเราก็ต่อไปมีความสุขต่อไปขันความโ่วลุกขึ้นมาความโชกหน้าที่โัวเราจะได้รับความทุกข์ตลอดกันไป ให้เราคิดนึกอยู่อย่างนี้เสมอในชีวิตในจิตของพวกเราหรือว่าจิตของเราเป็นผู้ถือบุญกับบาปทางสองเป็นคู่กันอยู่ในใจคันเราเพิ่มความโชคความโชกก็มีกำลังขึ้นมาก็ต้องทำให้ตัวเราได้ความทุกข์ตลอดไปไม่ว่าทุกข์เป็นมนุษย์ ทุกไปเป็นหอดสัตว์เสารประการใดๆพวกเปีติพวกผีพวกตกนรกอันนี้พระเรนวความชั่วบังคับบัญชาความชั่วบันดลบันดาลความชั่วนั่นเองให้รับผลแน่ความสวยความทุกข์ตลอดไปบุคคลผู้เพิ่มความดีให้กิ จ, จิตของตนบุคคลนั้นความดีมีกําลังเกี่ยวก้าสามารถรักษา รูปร่างกายและใจของตนเช่นเป็นเทพเจ้าทั้งหลายก็รูปร่างกายเป็นมนุษย์ก็เป็นรูปร่างกายและใจของตนให้ได้รับผลความอยู่ความสุขความเจเริญตลอดตลอดไปเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงกิจการว่าอัตหิอัตโนนาโธตนของตนเป็นที่พึ่งของตน ตนของตนเองเป็นผู้เตือนตนของตนตนของตนเองให้เป็นผู้รู้จักว่าตัวของเรามีกายกับใจให้รู้จักแค่ว่าเวลานี้ร่างกายยังมีชีวิตคือลมหายใจเขาออกร่างกายเวลานี้คือใจเป็นเจ้าของครอบคุมรักษาอยู่เสมอหน้าที่เราจะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่ว ให้เราคิดนึกห้พิจารณาอย่างนี้ในตัวของเราทุกคนตลอดไปจึงจะได้ขึ้นชื่อว่าตัวเราเป็นผู้รักษาความสะอาดให้กิจของตนตลอดไปความสุขของเราจะได้เกิดต่อไปฝ่ายนณาเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาจะได้พบปะบันดิตตลอดไป พดดาา ร, ระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระเจกาพุทธะผู้สีนิโรธีผู้ทีดด่เป็นบัณฑิตชะสนสมทำความดีชี้แจงหนทางความสุขของพวกเราตลอดไปไปข้างหน้าเพราะเราได้ฝุกผลให้เป็นนิสัยเป็นปันจจัยกันมาอยู่ทุกภพทุกชาติวันเดียวนี้ชาติที่เราควรทำแล้วให้คิดนึกให้ดีศาสนาพุทธยังมีอยู่ ร่างกายของเรายัางไม่ทันล้มหายตายจากไปให้เราตั้งใจของตนประกอบกายกรรมวาจิกรรมโนกกรรมวัตถุกรรมกรร ม, กรรมความดีให้มันเกิดขึ้นให้กิจของตนตลอดไปที่อาตมาได้เตือนลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนในเวลาวัเดียวนี้ อายุวัตโกทนวัตโกชริวัตโกธนวัตโกยาวัตโกภารวัตโกวันวัตโกสุขวัตโูโหตุสัพพธาอายุกาธนวัตกาิีววัตกายาวัตกาภาวัตกาวันวัตกาสุขวัตกาโหตุสัพพธาอายุวันโนสุขังพลัง